เรื่องฝนตกน้ำท่วมข้อ50สมัยนั้นฝนใหญ่นอกฤดูกาลตกลงเกิดห่วงน้ําใหญ่สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ก็ถูกน้ําท่วมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำรํำริว่าถ้ากระไรเราพึงขับน้ําให้ออกไปโดยรอบแล้วจงกลมบนพื้นดินที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางทรงขับน้ําให้ออกไปโดยรอบ สเสด็จจงกรมบนพื้นดินที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางลำดับนั้นชัดินอุรุเวลกัสปะกล่าวว่าพระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ําพัดไปเลยพร้อมด้วยชัดินเป็นอันมากลงเรือไปอยังสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงขับน้ําให้ออกไปโดยรอบสเสด็จจงกรมบนพื้นที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลางจึงทูลถามว่า ถ้าแต่พระมหาสมณะพระองค์ยังประทับอยู่ที่นี่หรือพระผู้มีพระภาคกลับตอบว่าถูกละกัตสปะเรายังอยู่ที่นี่แล้วเสด็จหอขึ้นไปปรากฏอยู่บนเรือขณะนั้นชาดินุรุเวลกัตสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงบรรดาลไม่ให้น้ำไหลไปได้แต่ไม่เป็นพระอารหันต์เหมือนเราแน่